ทวีสวัสดีค่ะท่านังที่เคารพค่ะรายการสัสนสีสนทนานะคะที่ดิฉันสัสนสีหน้าคพง์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเรามาพบกับท่านในวันที่ดิฉันเองได้มาเพิ่มอีกคนหนึ่งในรายการนะคะที่จะสนทนากับท่านพระมหาเพบูบุณยพิปุญโนที่ท่านยืนพื้นให้ธรรมะกับท่านฟังเป็นประจํากันมาตั้งแต่ตอนต้นสัปดาห์กันแล้วดิฉันสัปดาห์นี้มีแค่2วันคือพระหาสบดีกับวันศุกร์ค่ะก็ เริ่มต้นกันเลยนะคะกับการที่ให้ท่านไิบูรลได้เมตานําท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมก่อนที่จะฟังทำกันกลางนักนส ก, การกันนะคะคุณโมลัค่ะเวลาเราเริ่มปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของศีลในเวลาที่เราตั้งจิตตั้งใจในการที่จะรักษาศีลแต่เมื่อวานไม่รู้ไปทําอะไรมาละแต่ว่าวันนี้ตื่นมาแล้วเราตั้งใจในการรักษาศีลของเราให้ดี ศีลก็คือการที่เป็นปกติในการที่จะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราไม่ไรถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้ในตอนนี้ให้ตั้งใจไว้เลยว่าเราจะรักษาสิ่งนี้ในตอนนี้ให้ดีเพราะว่าบุคคลที่ถ้าไม่มีศีลเนี่ยจะมีความร้อนใจพอมีความร้อนใจแล้วทําสมาธิยังไงมันจะไม่ได้มันก็จะขึ้นๆลงๆตุ้มๆต่อมๆอยู่แต่ถ้าบอกว่าเรามีศีลก็จะมีความไม่ร้อนใจ มีความไม่ร้อนใจแล้วมันจะมีปีติปราโมทย์ทาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในตอนนี้เราตั้งจิตในการที่จะรักษาความเป็นปกติ5อย่างนี้ให้ดีเอาฉะนัมันตอนนี้แหละแต่ว่าเราระลึกถึงศีนของเราสีลของเราเนี่ยเป็นสีลานุสติได้เป็นเครื่องมือในการที่จะให้จิตของเราเนี่ยตั้งขึ้นได้เพราะจิตของเราระลึกถึงสีนเแล้วว่าเออฉันจะไม่ประพฤติผิดในการมนะจะไม่พูดเท็จนะจะรักษาเสียความเป็นปกติ ในเรื่องศีลห้าธรรมดาของเราเนี่ยแหละไว้อย่างดีแล้วเราก็ตั้งสติของเราขึ้นโดยใช้เครื่องมือก็คือลมหายใจลมหายใจที่ผ่านออกผ่านเข้าที่เรารับรู้ได้อยู่ตอนนี้แหละเราเอาจิตตั้งไว้ที่บริเวณที่เรารับรู้ถึงสมบัตินี้ในลักษณะการกระทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะมีบทพยัญชนะว่าว่าเราเข้ามาสู่ในที่ว่างแล้วและนั่นงคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดารงสติ เอาไว้เฉพาะหน้าคําว่าดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้านั่นก็คือหมายถึงให้มาระลึกถึงนต่คาว่าดํารงสตินั้ก็คือเอาใจมาจดจ่อ 02. อยู่กับลมหายใจตรงไหนเฉพาะหน้าเฉพาะหน้านี่คือตรงไหนคือตรงที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจนั่นเองการกระทําอย่างนี้ก็เรียกว่าการระลึกถึงลมหายใจคําว่าระลึกถึงลมหายใจนั้นก็คืออาณาปานาสตินั่นเองพระสติแปลว่าการระลึกได้อาณาปานะแปลว่า ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะลมหายใจเข้าข้างเดียวออกข้างเดียวบางคนคัดจมูกจมูกตันหายใจเข้าออกได้ข้างเดียวจะช้าจะเร็วจะสั้นจะยาวอันนั้นไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าลมหายใจของแต่ละคนบางจังหวะมันก็ไม่เท่ากันเร็วบ้างช้าบ้างสั้นบ้างยาวบ้างเรามาฝึกในที่นี้ไม่ได้ฝึกในการหายใจว่าให้หายใจต้องยาวเท่านี้นับเท่านั้นไม่ได้ฝึกตรงนั้นแต่เรามาฝึกจิตโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ ลมหายใจที่ผ่านเข้าออกธรรมดานี่แหละแล้วก็บางครั้งบางคราวลมหายใจนั้นเหมือ น, นกับว่าไม่มีสัมผัสเกิดขึ้นอย่างเวลาที่เราหายใจออกจนสุดแล้วแต่กําลังจะเปลี่ยนเป็นลมหายใจเข้าแต่ยังไม่เข้ามันจะหยุดอยู่นิดนึงหรือในขณะที่เราหายใจเข้าแล้วสุดแล้วกําลังจะเปลี่ยนเป็นลมหายใจออกแต่ยังไม่ออกเนี่ยมันจะมีการหยุดของลมหายใจนิดนึงช่วงนั้นก็แน่นอนว่าไม่ได้มีสัมผัส ข, ของลมหายใจ แต่ว่าให้เราเอาจิตของเราเนี่ยตั้งไวนะ้ณที่ตำแหน่งเดิมเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นแหละเวลาที่เราดมกลิ่นของหอมของเหม็นเนี่ยหรือว่ากลิ่นอาหารกลิ่นดอกไมก้จุดตรงเนี้มันอยู่ตรงไห น, นเอาจิตเอาไว้บริเวณนั้นแต่จิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นก้อนที่ว่ามีความแข็งอะไรที่เราจะจับปุ๊บมันจะอยู่ตรงนั้นแข็งเป๊ะแล้วไม่ได้ขยายไปไหนเคลื่อนไปไหนมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตนันเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมามันจะขยายได้หดได้ เล็กได้เปลี่ยนแปลงรูปโฉมอะไรไปรับรู้ทางตาทางหูได้หมดแต่อย่างน้อยส่วนหนึ่งของจิตนะส่วนหนึ่งของจิตนะที่จะมารับรู้นะที่จุดนี้นะให้มันมีอยู่อาจจะได้ยินเสียงบ้างอย่างเสียงที่ธรรมบุฟังได้ยินอยู่ในขณะนี้จิตนั่นก็แหละก็เข้าไปทำหน้าที่รับรู้แต่แล้วอีกส่วนหนึ่งของจิตก็มารับรู้ลมหายใจด้วยหรือว่าอาจจะมีความคิดบ้างแต่ก็อย่าเป็นผู้ที่ลืมลงลงมหายใจพระบุรเจาบอกว่าให เราพู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระบายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเวลาที่จิตเราเป็นลักษณะนี้นะไม่เผลอสติไม่ประมาทมีสติตั้งไว้เวลาทําสิ่งใดๆนะไม่ว่าจะคิดการการงานตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเราสามารถที่จะทําการกระทํานั้นๆเนี่ย ให้เป็นประโยชน์ได้ให้ดีขึ้นได้แก้ไขสถานการณ์ได้คิดอ่านการงานให้ดีขึ้นได้และจิตที่เป็นแบบนี้แน่นอนว่าการเบียดเบียนจะไม่เกิดขึ้นในเวลาคุยกับใครหรือว่าติดต่อประสานงานสื่อสารกับใครเนี่ยคำพูดคําจาที่ออกมานั้นก็จะเป็นไปในทางไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตมีความรักใคร่เอ็นดูบุคคลที่มีการตอบสนองในลักษณะนั้นแน่นอนว่าจิตนั้นมีการปฏิบัติธรรมอยู่ จิที่เราตั้งไว้อย่างนี้ดีแล้วเนี่ยพระบุริจ้าบอกว่าเป็นผู้ที่รักษาทั้งตัวเองด้วยรักษาทั้งผู้อื่นด้วยเราตั้งจิตตั้งสติของเราไว้อย่างนี้เราสามารถที่จะทําได้อยู่ตลอดทั้งวันเลยแล้เราก็จะสามารถที่เป็นผู้ที่รักษาได้ทั้งตัวเองผู้อื่นด้วยอจรย์ปอนค่ะสาธุค่ ะ, ะวิธีการที่ท่านได้สอนเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการมีสติอยู่กับลมหายใจถูกไหมคะใช่ท่านคะ ดิฉันเองเนี่ยก็สนใจนะคะในส่วนของการที่มีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็พยายามที่จะศึกษาจากตัวที่เป็นพุทธพจน์โดยแท้นะคะทีนี้เวลาศึกษาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามีความไม่เข้าใจหลายๆอย่างในในถ้อยคําของพระพุทธองค์อะค่ะอยากจะกลับเรียนถามท่านจะเป็นไปได้ไหมคะได้ได้อย่างเช่นที่อันนี้แต่ดิฉันจะไม่กล่าว ในส่วนที่เป็นคําบาลีนะคะขอเป็นภาษาไทยเลยกรลักันคืออที่บอกว่าพิสูจทั้งหลายสมัยใดเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นอืมาถึงตรงนี้ค่ะย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงอหายใจเข้าหายใจออก อะไรคือกายทั้งปวงและการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงเป็นอย่างไรคะกายทั้งปวงนี่ก็คือผมคนเล็บฟันหนังท่าสีดินน้ำไฟลมอะไรที่มันจะประกอบกันขึ้นเป็นกายเนี่ยอันนี้คือกายทั้งปวง <c oughs> อืคันนี้คือกายทั้งปวงรู้พร้อมเฉพาะในที่นี้ก็คืออา้าวถ้าเราจะพูดถึงกายเฉพาะเจอดจงลงมาในลมหายใจเน่เพราะว่าเรากำลังไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นอยู่นะเรากําลังพูดถึงเรื่องลมหายใจใช่ไหม <C HA> เพราะนั้นลมหายใจประเภทต่างๆนั่นแหละอาจจะเป็นลมที่หายใจเข้าเนี่ยบางทีมันจะเย็นกว่าลมหายใจออก <C HA> ลมหายใจออกมันจะอุ่นกว่าลมหายใจเข้าหรือบางทีลมหายใจตอนเช้าเช้าเนี่ยมันจะยาวกว่าลมหายใจหลังจากที่กินข้าวเสร็จใหม่ๆมันจะสั้นกว่าตีกว่า <C HA> อันนี้ก็คือลมหายใจประเภทต่างๆคือกาย <C HA> ทั้งปวงค่ะ <C HA> ในที่นี้ต้องทําความเข้าใจว่าลมหายใจคือกายถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องบริบทในที่นี้นะ ค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราธรรมดาธรรมดาไม่เคยได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเราก็อาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าเอาลมเป็นอากาศอราเป็นกายได้ยังไงค่ ะ, ะทีนี้ต่อมานะคะที่บอกว่าย่อมทําการศึกษาศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายะสังขารให้ระงับโอเคอันนี้หมายความว่าอะไรคะหายใจเข้าหายใจออนะคะถ้าเอาพุทธพจน์มาอธิบายอย่างพระพุทธเจ้าเคอธิบายอยู่ว่าเป็นผู้ที่มีกายะสังขารระงับนั่นก็คือผู้ที่ได้ฌานสี่ นั่มีได้ฌานสีได้อุเบกขาที น, นี้นี่คือในย่าของพระพุทธเจ้าที่มีความหมายเต็มที่เลยนะคือคุณต้อมทาฌานสีได้ตรงนี้ทีนี้ว่าคําว่ากายสังขารถ้าเราดูบริบทของลมหายใจนดูบริบทของลมหายใจเนี่ยคำว่ากายสังขารคือการปรุงแต่งทางกายเราอยากจะพิจารณาถึงการที่กายมันเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้อยู่เนี่ยก็ให้มันสงบระงับอยู่ไม่ได้ให้มันเคลื่อนไหวอะไรให้มันนิ่งไว้อันนี้ในย่าที่1หรือในย่าที่สอง ลมหายใจเนี่ยมันจะเบาลงระ ง, งับลงแล้วลมหายใจเบาๆเนี่ยอย่างเมื่อที่เรานั่งสมาธิไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าลมหายใจเนี่ยมันจะเบาลงเบาลงจนแทบจะไม่มีเลยเหมือนกับไม่มีเลยเนี่ยคือลักษณะของการที่กายคือลมเนี่ยนะมันรงง<ค>ะ ง, ร ง, งับลงระงับลงการปรุงแต่งต่างกายระ ง, งับไปคะ่ะก็คือหมายความว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้รา ง, งับใช่คือเราเราต้อง พยายามที่จะมีสติอยู่กับลมหายใจจนคําคว่ากายะสังขารเมื่อสักครู่ดิฉันได้ยินแววว่าเป็นการปรุงแต่งถูกไหมคะปรุงแต่งทางกายกายะสังขารค่ะและลักษณะของลมต่างๆนั้นถือว่าเป็นการปรุงแต่งทางกายโอเคคือกันเป็นอย่างนี้ว่าการทําการศึกษาเนี่ยหมายความว่าพอเราตั้งสติขึ้นแล้วเนี่ยนะพอเราตั้งสติขึ้นแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยแทนที่มันจะไปรับรู้ในสิ่งต่างๆมันก็จะค่อยๆ รวมลงรวมลงแล้วพอจิตมันรวมลงรวมลงเนี่ยไอ้จิตที่มันจะไปพื้นที่ที่มันจะไปรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเนี่ยก็จะค่อยเล็กลงเล็กลงค่ะนั่นคือจิตมันเป็นนามธรมนะคุณโยมเดียวนะอย่างที่เรามาพูดมาสักครู่เนี่ยบางทีมันขยายใหญ่บางทีมันไปเป็นรูปเชฟต่างๆไปรู้ทางตาทางหูบ้างอย่างเงี้ยทีนี้พอเราตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นเนี่ยไอ้แง่งต่างๆที่มันจะเลื้อยไปความใหญ่อะไต่างๆมันก็จะค่อยหดเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามาเพราะว่าความที่สมาธิมันมีมากนง มันไม่ได้ไหลไปตามช่องต่างๆใช่ไหมพอมันไม่ไหลไปตามช่องต่างๆมันรวมกันเข้ามารวมกันเข้ามาเนี่ยจิตก็จะค่อยแหลมคมขึ้นเล็กลงงั้นก็แหลมคมขึ้นเล็กลงเนี่ยทำให้เนื้อที่ในการที่มันจะเข้าไปรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเนี่ยมันเล็กลงเล็กลงพื้นที่มันเล็กลงเนี่ยทาให้เหมือนกับว่าเราไม่ได้หายใจเลยมันเบามากแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่หายใจนะมันยังหายใจอยู่แต่ว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเนี่ยมันเล็กลงทํำไมมันเล็กเพราะว่าจิตมันรวมลงมันแหลมคมขึ้นนั่นค่ะ แต่ในขณะที่จิตรวมลงเล็กลงแหลมคมขึ้นอที่ท่านพูดจนกระทั่งเหมือนไม่มีลมหายใจถูกไหมคะมแต่พระพุทโงก็ยังตรัสว่าหายใจเข้าหายใจออกแปลว่าเกิดอาการใดก็ให้เรายังทำอาการคือคือเราต้องหายใจอยู่แล้วมีอยู่ใช่คือเหมือนไม่มีแต่มันมีอยู่มันจะเบาเบมากแพ่ามาก<า>เพราะดิฉันสังเกตว่าก็มีการตรัส นะคะถึงว่าอ่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าอืแปล ว, ว่าเมื่อพัฒนาการเมื่อจิตรวมแล้วอาจเกิดการปีติขึ้นใช่ความอิเมเพิบใจความสบายใจค่ะซึ่งความอิเมเพิบใจความสบายใจนี้ก็ต้องเกิดจากในภายในเกิดจากในภายในคือบางคนเนี่ยนั่งสมาธิไปก็ฟังเพลงดนตรีคลาสสิกไปด้วยอย่างเงี้ยน ะ, ะฟังเพลงนนเลปียโนอะไรไปแล้วเออสบายใจดีเอาแต่นี้เป็น ปีติชนิดที่ใช้หูเป็นเครื่องร่อใช้เสียงเป็นเครื่องร่อผ่านทางหูอันนี้จะไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าหมายถึงค่ะงั้นเดี๋ยวที่ฉันขอถามประสบการณ์ส่วนตัวเลยดีกว่านะคะ <c oughs> เพิ่งเกิดอ่าฉันจะเป็นคนที่บันทึกเสียงอ่านพุทธวจนะโอเคมากนะค ะ, ะมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้เกิดนานนะค ะ, ะเวลาอ่านแล้วเราก็เหมือนกับเาตั้งใจอ่าน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ความรู้สึกดิฉันเนี่ยเป็นสมารถมากอือั น, นอันนั้นเหมือนกับแล้มีเหมือนความรู้สึกปิติด้วยนะคะอืจึงอยากกราบเรียนท่านว่าอันเนี้ถือว่ามีนิรามิตไหมคะดิฉันพอใจกับการอ่านพุทธพจน์มันจะมีในยะ ต, ตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้าเคยห้ามไว้ว่าพูดาการท่องมนต์ด้วยเสียงอันยาวเเสียงอันยาวเนี่ยคือเรากําหนัดในเสียงถ้าเรามีความกําหนัดในเสียงปิติจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าบอว่าเรามีความเข้าใจในธรรมะมีความลึกซึ้งลงไปเนี่ยแล้วเจอเกิดปิติ อันนี้ก็เป็นปิติที่เป็นนิรามิตค่ะ<ป>คืออย่างนี้ค่ะบางเงินในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ดิฉันได้อ่านเรื่องพุทธประวัติถึงตอนที่พระพุทธธงได้ตรัสว่าอิทธิบาททำให้อายุยืนได้ถ้าแปลภาษาไทยอย่างนี้นใช่คะแล้วก็ในนั้นก็จะพูดถึงว่าท่านมีสมาธิทาสมาธิด้วยแล้วก็มีอิทธิบาทใช่ไหมคะนีนก็นึกในใจเออเราเนี่ยก็ มีความรู้สึกว่าเราอ่านพุทธพจน์เนี่ยเพราะว่าเยอะมากมีความตั้งใจต้องทำให้เสร็จก็ใช้ปิติบาตในการทำเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับมีฉันทะใช่ไหมคะมีความเพียรอยู่ในนั้นโอเคมีจิตตะอยู่ในนั้นโอเคแล้วก็เกิดอาการอย่างนั้นอันนี้เป็นอาการอะไรอันนี้เป็นอาการที่ว่าบุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยที่มีศรัทธามีศรัทธาแล้วนะกูก็มีความมั่นใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ย แล้วคุณก็ทําความเพียรเป็ความเพียร น, นีจหมายความว่ามีความเพียรตั้งมั่นไว้แล้วแล้วก็มีสติตั้งมั่นไว้มีสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะทราบรู้ได้หลังจากที่จิตเป็นสมาธิแล้วนะก็คือเขาจะรู้ได้ว่าทำเหล่าได้เหล่าหนึง่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยทำเหล่านั้นเนี่ยเราถูกต้องแล้วด้วยนามกายอยู่เขาจะมีปัญญารู้ชัดกำวารู้ชัดเลยนะคือประชานาตินที่ใช้อยู่ในที่นี้ที่คุณโยมติวพูว่ารู้ชัดรู้ชัดเนี่ยแหละ คือประชานาติ<ช>คือรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วว่าอ๋อไอ้ที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยแม่เราถูกต้องแล้วด้วยใจของเราอย่างนี้เขาจะมีความมั่นใจขึ้นมาซึมีศรัทธาขึ้นมาค่ะตอนนี้จะเกิดปีติได้แน่นอนค่ะ อ, อแล้วปีติในทุกลักษณะรวมไปถึงเรื่องของการเจริญอาณาปานาสติด้วยเนี่ยเป็นปีติคล้ายคลึงกันไหยคะใช่เป็นปีติที่เป็นนิรามิต น, นมะมั น, ม, น, ม, นมันจะเป็นอย่างนี้ว่าคือไอ้ความที่จะเกิดขึ้นของปิติที่เป็นนิรามิตไม่ได้อาศัยเครื่องล่อเนี่ย มันจะเกิดจากการที่จิตของเราเนี่ยพอมีอกุศลธรรมลดลงลดลงลดล ง, ลดลงถึงระดับหนึ่งพอมีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งแต่พมันจะมีถึงจุดหนึ่งอะที่ว่าโอ้ยฉันสบายใจมากเลยคือแบบสบายใจโดยไม่มีเหตุผล ค, คือก็ออว่าไม่มีเหตุผลนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะแต่คือมีเหตุผลของความที่จิตเรามันมันสูงขึ้นดีขึ้นอ่ะค่ะมันเบาลงมันก็สบายอ่ะค่ะอทีนี้กลับมาที่อนาปานาส ต, ติต่ออีกหน่อยนะคะอ่าที่บอกว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกกับรูปพร้อมเฉพาะซึ่งสุขสุขนี้จะคล้ายๆกับที่ท่านได้กล่าวไปไหมคะสุคนี้ก็จะละเอียดขึ้นไปกว่าปีติอีกปีตินี่คือความอิม่มแบบใจความสบายใจค่ะแล้วก็สูงขึ้นไปอีกมันก็จะเป็นสุขค่ ะ, แ ล, ะแล้วจิตตสังขารล่ะคะจิตตสังขารคือการปรุงแต่งทางจิตเช่นอะไระเช่นเวทนาเวทนาเป็นการปรุงแต่งของจิต อ่าสัญญาสังขารเนี่ยพวกนี้เป็นการปรุงแต่งของจิตหมดเลยความคิดนึกบางทีเหมือนกับวูบไปข้างหน้าเหมือนกับตกเฮวมันก็ลอยขึ้นเหมือนอาการคันพวกนี้เป็นการปรุงแต่งของจิต ท, ทั้งหมดเลยค่ะอ่ารวมไปถึงการที่มีปรากฏการขึ้นในระหว่างอ่าเจริญสติอยู่ไหมคะเช่ชนบางคนบอกเห็นภาพนะค ะ, ะทังคะเพื่อนรุ่น<ะ>คนนึงบอกว่าเห็นภาพน่ากลัวตลอดเวลาเลยจนไม่อยากนั่งสมาธิใช่ใช่อันนี้แหละ น, น, นี่ถือว่าเป็นจิตตสังขารถูกต้องอันนี้ข้อความตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่า<ฆ>ต่อให้จะมีจิตตสังขารอะไรก็ตามแต่ก็เช่นเดียวกันกับกายสังขารด้วยนะต่อให้มีกายสังขารอะไรก็ตามคุณต้องมีสติอยู่ในลมหายใจนะตรงตรงนี้นะคุณยมติดดูสมการให้ดี<ฆ>ว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหรือกายสังขารก็ตามหายใจเข้าหายใจออกมีสติหายใจเข้าหายใจออกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมเป็นลมหายใจแบบไหนสั้นยาวร้อนเย็น รูเดียวสองรูหรือว่าการปรุงแต่งทางจิตแบบไหนรู้อะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรลอยขึ้นตกลงคุณต้องมีสติอยู่กับลมหาใจหมดเลยนะค่ะอย่าไปสนใจนตรงนั้นนะพูดง่ายๆท่านที่ท่านกําลังกล่าวอยู่นั้นคือในส่วนของพุทธพจน์ต ร, ตรงนี้ไหมคะที่บอกว่าเราเป็นผู้ทําจิตตาสังขารให้ระงับอย่างอย่างอย่างยังไม่ถึงยังนะไม่ใช่คื อ, อรู้ก่อนว่ามันมีแต่อย่าไปตามมันให้มาอยู่กับลมหายใจนี่คือยังไม่ระ ง, งับนะยังไม่ระ ง, งับแล้วถัดไป ทำให้มันดังงัดไงทำให้มันดังงัดคือหมายถึงว่าตัวของเราเองเราต้องทําให้พยายามฝึกฝนไใช่ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าสิกขาค่ะสิกขาคือพยายามทําการฝึกฝนทํำยังไงก็ที่คุณตั้งสตินั้นทาถูกแล้วตั้งสติอยู่กับลมหายใจเพราะว่าจิตของเราใส่ในเรื่องไหนจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นก็จึงบอกว่าอย่าไปใส่ตรงจิตตาสังขารอย่าไปใส่ตรงกายะสังขารให้มัใส่ตรงลมหายใจค่ะนั้นก็เท่ากับว่า อวิธีการก็คือไม่ต้องไปตกใจแบบเพื่อนดิฉันคนที่บอกไม่อยากนั่งสมาธิต่อไปเลยเพราะว่านั่งทีไรเห็นแบบนี้ทุกทีน่ากลัวก็ให้มีสติถูกไหมคะรู้ลมหายใจใช่รู้ลมหายใจออกแล้วก็จะทําให้อาการเหล่านั้นกํางับใช่ไปได้ทุกคุณยมติเห็นไหมในพระสูตรนี้นะค่ะคําที่พระเจ้าใช้มากที่สุดเลยรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็สติใช่ค่ะแล้วก็สติมันจะมันจะต้องกลับมาที่ตรงเนี้ ค่ะ <c oughs> คือทั้งหมดเนี่ยก็คือมีสติอยู่เราหายใจตอนนั้นเองแหมเป็นคําที่สั้นมากเลยนะแต่ความหมายมันลึกซึ้งจริงๆใช่ค่ะแต่ที่ฉันคิดว่าการที่เราได้ศึกษาละเอียดนีก็ดีเหมือนกันนะคะคือเหมือนกับว่าเนื่องจากการฝึกทางทางการเจริญสติเนี่ยอยู่กับตัวเองะคะ่ะท่านคะ่ะใช่ทีนี้ในระหว่างการนั่งสมาธิเนี่ยบางทีถามใครไม่ได้อะ่ะอืถ้าเรามีความรู้อยู่บ้างก็จะทําให้เรากําจัด ปัญหานั่นได้ใชต่ตรงนี้แหละจึงเป็นหน้าที่ของสัมมาสัมปุทธะที่ต้องมาจําแนกแจกธรรมเพราะเพราะไม่งั้นลองคิดดูสิถ้าพระพุทธเจ้าขึ้นแค่ประโยชนแรกว่าเธอนั่งกู้ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสตรเฉพาะหน้าจบเพราะว่าออแล้วยังไงนะ <c ười> คือมันจบแค่นี้แล้วยังไงนะแล้วเวลามีความคิดทํำยังไงเวลาร้อนทํำยังไงเวลาไกลเป็นยังไงคือมันจะไม่ได้มีใครมาอธิบายตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงอธิบายเอาไว้ แ ต, แต่พูดอย่างนี้ก็ยังไม่ละเอียดเลยนะก็ยังมีคนไม่เข้าใจนะค่ะเออมันก็ต้องอธิบายกันไปอ่ะค่ะค่ะท่านคะทีนี้อ่าสิ่งที่ทิ้งคิดว่าท่านตราสบ่อยเหมือนกันนะคะในพระสูตรเกี่ยวกับอนาปานาสติก็คือในส่วนที่ว่ามีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติอืนําอภิชาละโทมานั้นในโลกออกเสียได้คือเหมือนกับว่ามีเพียรเผากิเลสสัมปชัญญะมีสติเนี่ยท่านน่าจะทําให้พวกเราได้เข้าใจผ่านไปละ แต่ว่าในส่วนของนําอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้ในหมายความว่าไงคะอภิชาคือความเพ่งเล็งอภิชา ค, ความเพ่งเล็งโทมนัตนี่คือ ค, อความพูดง่ายก็คือเรื่องที่มันไม่ดีนําความเพ่งเล็งแล้วก็โทมนัตนี่คือความเความโศกทางใจออกไปคือนําออกไปเนี่ยคือหมายความว่าเป็นผู้ที่ตั้งสติเอาไว้นั่นแหละผู้นี้มันก็จะออกไปออกไปอคือได้ชื่อว่าถ้าเราทําในสิ่งเหล่านี้ก็จะได้ชื่อว่า เราเน่ยมีความเพียรในการที่จะเผาสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปอย่างนั้นนะคะถูก ต, ต้องถูกต้องอ่าปีนี่คือความเพียรเผากิเลสอ๋อค่ะค่ะก็คงจะโดยย่อถามเท่านี้ก่อนเพราะว่าอ่าก็คิดว่าได้รายละเอียดขึ้นเยอะอนะคะทีนี้ในส่วนของคําถา ม, มาคะ่ะท่านคะเจียมปานเรามีคุณจั ก, กรกลิตจักรกลิตเก้าเก้าเก้าเนี่ยก็ถามมาว่าเคยฟังครูบาอาจารย์บางรูป กล่าวว่าการที่เราคุมเรื่องการกินอาหารลิ้นอย่างเดียวเนี่ยอันนิสงส์สูงสุดได้เป็นอนาคามีคือพระอนาคามีบุคคลในขั้นอนาคามีใช่ไหมขั้นสามถูกไหมคะใช่ใชทั้งหมดสี่ขั้นจริงเหรอครับโอเคเอาข้อนี้ก่อนเรามาดูพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสตวายถ้าจะอาจาคิดว่าคงจะหมายถึงประสวดนี้แต่พรพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบถึงอาหารคือคำข้าวคือข้าวที่เรากินได้นะเป็นผลไม้เป็นข้าวเป็นอะไรก็ตามเถอะ กินเข้าไปเนี่ยเปรียบเทียบกับการรับประทานเนื้อบุตรคือเนื้อลูกของเราแตนะ่ถ้าเดินทางไกลแล้วสเสบียงอาหารเกิดหมดมีกันไปสามคนพ่อแม่ลูกนะแล้วทํายังไงละ่ะก็ต้องกินเนื้อลูกแหละไม่งั้น3คนต้องตายถ้ายังมีสองคนยังมีลูกใหม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าเอาฆ่าลูกกินแต่คนที่ฆ่าลูกกินเนี่ยแล้วจะมากินเนื้อลูกเพื่อความอ ด, ด อ, อยากเนี่ยเขาจะไม่ทําอย่างนั้นเขาก็จะกินแบบชนิดว่า พ, พอให้อยู่ได้ พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้หรื ม, มาเล่ามาโดยสรุปน ะ, ะเพื่อที่จะบอกถึงว่าอาหารคือคําข้าวเนี่ยเมื่อถ้าเรากําหนดรู้พิจรารณากินแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะละราคะในกามากุญทั้งห้าได้พระพุทธเจ้าตรัสนี้บอกว่าราคะคือความกําหนัดที่มีกามากุญทั้ง5้าเป็นแดนเกิดย่อมเป็นสิ่งที่เธอผู้นั้นกําหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อกําหนดรู้ได้แล้วสังโยชน์ที่อริยส า, าวกประกอบเข้าแล้วจะทาให้มาสู่โลกนี้อีกย่อมไม่มี นคําว่าสังโยชน์ที่ทําให้มาสู่โลกนี้อีกย่ไม่มีหมายถึงว่าเป็นอนาคามีออหมายถึงว่าเป็นอนาคาหมีถ้าคุณจักกิรหมายถึงพระสูตรนี้คำตอบคือใช่คำตอบคือใช่แต่ถ้าเราพูดกันโดยทั่วๆไปนะว่าถ้าเราคุมแค่อายตนะได้คุมอายตนะได้นะมันไม่ใช่แค่อนาคามีนะคุณโยมติ๋วคือคือเป็นพันประการเลยนะคะเพราะว่าถ้าอายตนะนี่รวมทั้งหมดเลยใช่ไหมตามจมูกลิ้นตาคือถ้าว่าลิ้น แตถ้าในกรณีของเอาลิ้นอย่างเดียวหมยายถึงว่าคุณปิดทางอื่นหมดหรือเปล่าแต่ก็ต้องเฉพาะเจาะจงลงไปอีกเพราะว่าเคยมีประมาทมาที่พระเจ้าเปรียบเทียบว่าเหมือนตัวเงินตัวทองเนี่ยลงไปในจอมปลวกลมันมีหกรูอคุณปิดมันซะ5้ารูเหลือรูเดียวมันต้องออกมาทางนี้รอจับมันได้เลยเพราะฉะนั้นคือถ้าผมว่าเราคุมลิ้นอย่างเดียวแล้วยี่อื่นเปิดไหมถ้าอย่างอื่นไม่เปิดอันนี้บาอาหารได้เลย แต่ถ้ายางอื่นเปิดแล้วคุมลิ้นได้อย่างเดียวมันก็อาจจะทำให้สามารถขจัดสิ่งที่เป็นทางกรรมกุณได้นะคือถ้าถ้าหมายถึงในพระสูตรที่อ่านไปให้ฟังเมื่อสักครู่นะค่ะซึ่งจริงๆพอคิดตามนะคะท่านคะ่ะดังนั้นเชื่อว่าหลายคนคือโอททำไมทรงอุปมาได้หัวร้ายมาก<อ>ให้กินเนื้อลูกเนี่ยกินไม่ลงแน่นอน แต่ว่าใ่ินความาหมายนี้ก็คือว่าเมื่อมันมีความจําเป็นจะต้องกินอะะดํารงชีวิตไว้เพื่อวันข้างหน้าจําเป็นลองจินตนาการคะอันนี้ลองจินตนาการดูนะข้อที่หนึ่งกินไม่ลงแต่ไมนต้องดํารงชีวิตอยู่กินสักหน่อยหนึ่งระหว่างกินก็คิดไปต่าง ๆ, ๆนาน า, นาอู้เนอเรามันทําไมมันช่างมีทุกข์อย่างนี้อ่าใช่ก็ <ST> S> <S เ, ขเขาจะมีคำอธิบายตรงนี้นะคุณโยมติกวเขาคาอธิบายไปว่าเนื้อลูกเนี่ย เป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลด้วยเหตุเก้าประการค่ะคือหนึ่งเป็นเนื้อที่ดิบสองเป็นเนื้อของลูกสามเป็นเนื้อของลูกลักยังไม่ได้ปิ้งแล้วก็เป็นเนื้อของญาติแล้วก็จะมีคําอธิบายเลยแล้วอธิบายต่อไปอีกว่าใช่คําอธิบายตรงนี้ดีมากแล้วจะมีคําอธิบายบีกว่าเนื้อเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่แบบไม่อยากกินเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ใช่ว่าอยากชอบกินอย่างสมมติว่าเราเราจะชักชวนคนมปกินเราชอบกินแล้วเราก็ชวนเพื่อนมากินเขาจะไม่ชักชวนคนอื่นมากินเนื้อลูกจะไม่มี น, นี่คือประการที่ถัดมานะและประการถัดมาเนี่ยพอไปถึงที่ที่มันไปถึงฝั่งแล้วเนี่ยไปถึงที่ที่เป็นเมืองแล้วเนี่ยจะไม่เอาเนื้อลูกเนี่ยไปเที่ยวประกาศให้คุณหนูว่า ee, น, น, นี่ฉันกินเนื้อลูกฉันกินเนื้อลูกเธอมาแบ่งกันกินสิแล้วไม่เอาเนื้อที่เหลือเนี่ยไปปิ้งไปใส่อะไรให้มันเค็มมันหวานเพื่อที่จะมากินต่อจะไม่ทําอย่างนั้นจะฝังหรือเผาทิ้งซะมันเป็นปฏิกูลขนาดนั้นให้พิจารณาอย่างนี้พ่อช่าว่าคำอธิบายเขาว่ามาอย่างนี้นะอ๋อคือดิฉันเองเคยได้ฟังแต่อุปมา อันนี้คือคําอธิบายประมาณนี้เลยถูกต้องถุด ต, ต้องขย า, ายความขึ้นมาว่าโอ้โหมันปฏิกูลจริงๆอะแล้วแล้วเรื่องที่ทําให้เกิดการลูกตายเนี่ยเขาก็อธิบายอีกนะว่าจริงๆลูกไม่ได้ว่าพ่อไปฆ่าลูกนะคือแม่เนี่ยเสนอตัวก่อนว่าให้พ่อเนี่ยฆ่าแม่เถอะเพราะว่าแม่เนี่ยไม่ได้สามารถที่จะทําการงานของผู้หญิงที่ควรจะทําได้แล้วพ่อก็บอกว่าฉันนี่แหละที่ไม่สามารถทําการงานของพ่อบ้านที่ควรจะทําได้แล้ว พ้าป่าหาอะไรเงี้ฉันก็ทําไม่ได้เธอฆ่าฉันเถอะแต่พอผู้หญิงบอกว่าแม่ให้ฆ่าฉันดีกว่าพ่อก็เลยมีความคิดว่าโห้ยถ้าแม่ตายลูกก็ตายด้วยเอางั้นก็ฆ่าลูกดีกว่าแต่พอจะลงมือฆ่าลูกเนี่ยฆ่าไม่ลงเนี่ยเพราะอุปสรรคแบบว่าอ่อนบอนกว่าจะได้ลูกมาฆ่าไม่ลงเอางั้นให้แม่ฆ่าจะให้ลูกเดินไปหาแม่ตัวเองก็เดินไปทางอื่นใช่ปะพอลูกเดินไปหาแม่จะฆ่าลูกแม่ก็ฆ่าลูกไม่ลงเพราะว่าโห้ตัวเองเกิดมาด้วยจากอกของตัวเองเนี่หรอไหม ฆ่าไม่ลงเอ้ยก็ให้พ่อฆ่าแล้วกันให้ลูกเดินแม่พ่อแย่ลูกเดินไปเดินมาเงี้ยลูกตายอืตายเพราะเดินไปเดินมาไม่ได้ตายเพราะโดนใครฆ่าใช่ก็เลยทำไงอ่ะตายแล้วทีนี้ก็เอาต้องเอาเนื้อมากินมันจําเป็นแล้วก็จะไม่ได้แบบว่าฉันกินอันนี้เธอจริงกินอันนั้นฉันจะกินอันนี้มันอร่อยกว่าเนื้อตรงนั้นเธอกินเนื้อส่วนนั้นมันไม่อร่อยเท่าตรงนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นตรงไหนอยู่ตรงหน้ากินตรงนั้นมันอัตคัดมากนะ แต่แต่อันนี้คือทรงยกขึ้นมาเฉยๆนะคะเป็นอุปมาที่อุปมาปมาระยกขึ้นมาไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอืไม่แน่ไม่แน่คื อ, อถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงพระพุทธเจ้าจะบอกว่าอุปมาเนี้ยเราสมมุติขึ้นจะมีคํานี้อยู่อแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้มีคําว่าสมมุติขึ้นนะนั้นก็เท่ากับว่าอาจจะมีะจริง เรื่องที่ท่านไิบูรณ์นํามาเล่านี่เป็นการปรารถนของพระพุทธองค์เองประกอบกับการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมลิ้นเพื่อความเป็นอริยบุคคลถูกไหมคะอก็คือการพิจารณาอาหาร<ะ>าการพิจร า, ารณ<ะ>าอเพื่อจะตอบคาถามคุณชาตรตเลยฟังเรื่องตื่นเต้นรันทดใจ <c oughs> หลายคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยดิฉันว่าคนลูกไม่ลงหอืหอ ะ, ะใช่คือมันทําได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้หรอกอืม <c oughs> ทำได้ก็กินไม่ลงกินเข้าไปได้ยังไงนี่รมอธิบายเขามีตรงนี้ค่ะแต่สรุปแล้วประเด็นก็คือว่าถ้าเราควบคุมตันหาในอายตนะที่เป็นชิวหาคือลิ้นได้มีโอกาสที่จะได้เป็นอาณาคารมีอริยบุคคลขั้นที่สามก่อนจะเป็นพระอารหันต์ขั้นเดียวเอ ง, งเพราะสังโยชน์ที่จะทําให้มาสู่โลกนี้อีกไม่มีกลายเป็นพุทธพุทธวายใช่ใชคือค<ม>ถ้าคุณจะกรีดหมายถึงพระสูตรนี้นะ ก็ น, นี้คือคพุทธพจส์เนี่ยยืนยันอยู่แล้วตรงนี้ค่ะพวกเราเองเนี่ยเดี๋ยวฉันคิดว่าคนสมัยเนี้ยก็เข้าใจนะคะว่าปัญหาชีวิตเนี่ยมันเกิดจากลิ้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจากการรับประทานมีเยอะแยะมากมายอืมแต่ก็มันห้ามใจไม่ได้กน ด, ดิฉันเชื oh. ช่อวาดเชื่อว่าอาหารการกินเนี่ยมันเป็นภัยมากนะคะเพราะว่าโอ้โหพอดิกลิ่นก็ เอาใหม่เอหม่ เ, หเราเราต้องสนับสนุนที่ท่ผู้ฟังเนี่ยสามารถต้องหักห้ามใจได้ค่ะต้องหักห้ามใจได้นะคือคือถ้าเรายังเป็นทาตของลิ้นนะแล้วเอ่อมันมันจะทําให้คือเรื่องปากท้องมันสําคัญน่ะใช่ไหมละ่ะเดี๋ยที่เราทํางานทุกวันนี้ไม่ใช่เพื่อปากท้องหรอก็เพื่อเงินน่ะคุณบอกเพื่อเงินก็เพื่อปากท้องนั่นแหละใช่ไหมละ่ะมันต้องต้องคุมตรงนี้ให้ได้ค่ะคือบางคนเนี่ยไม่ได้รับประทาน อ, อาหารอร่อยอร่อยธรรมดานะคะอืม อาหารจานนั้นห้าหมื่นบาทต้องแสวงหาแขวงที่แพงหายากยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างการมาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยมันจะช่วยตรงนี้ได้ว่าเขาจัดให้คุณกินยังไงคุณก็ต้องกินอ่ะคุณไปเลือกไม่ได้มันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแหมที่ฉันก็อยากจะให้ท่านฟังซึ่งเรื่องการกินมานส่วนหนึ่งของชีวิตที่จัดว่าสำคัญเลยล่ะเนี่ยอย่างน้อยได้กุศล จากการรับประทานขอเอาคําสองพระพุทธเจ้าที่จะทําให้ทุกครั้งที่เรารับประทานเราได้กุศลหรือว่าได้ความรู้ในการที่จปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จยิ่งๆ่งขึ้นไปถนะ้าหากหวังกุศลนะคะอืมอันนี้คือเป็นคาถานะคาถาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นคาถาคือหมายถึงว่าเป็นบทกลอนเป็นร้อยกลองที่ตรัสไว้กับพระเจ้าเสรตนิโคศนพระเจ้าเสรตนิโคศนนั้นอ้วนมากอ้วนตึกเลยแล้วก็หลับ งกหลับงกอยู่พระเจ้าก็เลยสอนคาถานีนะ้ให้พูดตอนที่กินอิ่มแล้วแล้วอยากกินต่อนะครบพระชเจ้าตรัสนี้นบอกว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มาย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าครองอายุได้ยืนนานให้ประมามสินหน่นะมนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มา ย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าครองอายุได้ยืดนานค่ะเนี่ยนะคะ<ม>ท่านฟังจาเป็นประเด็นประเด็นไปถ้าท่องได้วันหลังเอามาบอกใหม่เพราะเวลาจํากัดก็คือมีสติอยู่ทุกเมื่อรู้ประมาณนะคะด้วยความรู้ทั้งหมดเนี่ยนอกจากประมาณในการกินต้องรู้คุณค่าของมันด้วยแล้วเขามีเวทนาเบา บ, า, บาง<ม>ใช่คะจะ แ, แก่ช้า แ, แล้วก็ยยืค่อยไข<ม>้แก่แก่ก็ช้าด้วย อายุก็ยืนด้วยใช่ก็นำมาสัการขอบพระคุณนะคะแต่ว่ายังมีคําถามค่ะไปเร็วๆเลยนะคะคุณจักรกลิศสงสัยว่าคนที่ระลึกถึงบุคคลผู้มีศีลสมาธิปัญญามีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามและเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าแม้บุคคล น, นั้นยังมีชีวิตอยู่หรือสิ้นชีวิตไปก็ตามเมื่อเราใกล้จะตายเราได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นผลอนิสงส์งสูงสุดเป็นได้ถึงอนาคามีจริงหรือไม่คะ อันตราว่าได้ถึงพระอาหารเลยเพราะนี่คือสังขานุสติสังขานุสติและนี่คือสงค์คือเป็นสระนะพุโทธรรมโมสองโกเป็นสังขรัตนะสังขรัตนะทําให้เรารู้อรอยิยสัจสีได้นะ เ, เพราะฉะนั้นการที่คุณจะบรรลุสูงหรือต่ําเนี่ยอยู่ที่อินทรีย์ของเราแล้วทีนี้สิ่งอินทรียคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาว่าแก่กล้ามากหรือแก่กล้าน้อยถ้าแก่กล้ามาก ค, คุณได้เป็นพระอาหารได้ในที่นี้ก็เหมือนกับว่า นึกถึงพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชตามสุปฏิบัณโนโด้วยแล้วก็บุคคลธรรมดาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้จะไม่ได้บวชนะคะ่ะจัดอยู่ในถูกต้องเพราะคําว่าสงฆ์ น, นี่คือหมู่นะไม่ใช่หมายถึงภิกษุที่ห่มเหลืองก้นผมไม่ใช่อย่างนั้นคือสงฆ์ในแปลว่าหมู่หมู่แห่งผู้ที่ปฏิบัติคําสอนคือสงฆ์สาวกแบบไหนที่ปฏิบัติดีอย่างนี้นะค่ะดังนั้นที่คุณจะกรีบถามมาก็ตอบว่าถูกแต่ว่าสามารถถูกไปยิ่งกว่านั้นอีกถ้าคนนี้เขา มีสังพานธุสติจริงๆใช่ใชนะคะค่ะวันนี้ใกล้หมดเวลาแล้วค่ะอย่างไรก็ตามกลับมาฟังพระอาจารย์ได้ใหม่กันอีกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการหลีกรนนะคะท่านประมหาปยบุอภิปุนโนท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนี้อยู่ที่วัดป่าดอนไหสศกดอนธา น, นีก็ปลีดเวลามาให้กับทุกท่านก็ต้องกราบสมรสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ ร่วมกั น, นค่ะข้าพเจ้าส่ว ท, ที่ครคุคะวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดดอนทานีปีนี้เขาจะทอดกรถิ่งกันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะใครที่ตั้งใจจะไปทอดกรถิ่งที่วัดของพระมหาไพิบูลก็เชิญที่นั่นได้เลยค่ะส่วนดิฉันสันสิง น, นาคพงศ์นะคะในวันนี้ก็ดําเนินรายการมาจนกระทั่งถึงเวลาที่จะร่ำลาท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วนะคะก็ขอบอกว่าไอ้ความเข้าใจของเรา ที่เคยไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนของพระศาสดาพวกเราตั้งใจที่จะทำให้ประจาษแจ้งให้มากขึ้นนะคะท่านสามารถเขียนคำถามไปที่เพียวธรรม a .com/106puredhamma.com นะคะ c o m เนี่ยที่ท่านไปบุญได้เลยติดตามรับฟังรายการกันสตาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้พุทธสวัสดีค่ะ